นิยปูชา2550ผู้ปกครองเที่ยงธรรมไม่เกิดความแตกแยกผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองทำอย่างไรประชาชนคนไทยจะเข้าใจกันดีว่าเราคือสายเลือดเดียวกันนี่ปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้ ถ้าหากยังรู้สึกแบ่งแยกกันอยู่แล้วถึงบางยุคบางสมัยเด็กเล็กมันมีการศึกษาดีขึ้นว่ากูนี่ลาวว่ากูนี่แขกมาลา ย, ยูกูโบแม่นไทยนี่ว่าเดี๋ยวมันก็ก่อวการปฏิวัติแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาบ้านเมืองก็วุ่นวายใหญ่เลยเพราะฉะนั้นผู้ปกครองจะต้องมีจิตใจเที่ยงธรรมหนังสือติ โตเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของเชโกสโลวาเกียเชโกสโลวาเกียเนี่ยประกอบด้วยคนหลายสัญชาติประกอบขึ้นเป็นประเทศยุคใดที่ผู้ปกครองไม่เที่ยงธรรมราษฎรจะกระด้างกระเดืองก่อการปฏิวัติขึ้นมาพอมานึกถึงเมืองไทยเราเนี่ยอีสานทั้งหมดเดิมก็เป็นลาวตั้งแต่สีสเกตจนกระทั่งจรดจังหวัดตราดจรดทะเลก็เป็นขเขมร ทางภาคเหนือก็เป็นไทยใหญ่ซีกตะวันตกแถบทะเลอันดามันก็เป็นพม่ากะเหรี่ยงใจกลางของประเทศก็คือมอญแขกครัวทางใต้ก็แขกมาลายูชาวมาเลเซียบ้านเมืองเราก็ประกอบด้วยคนหลายสัญชาติประกอบกันขึ้นเป็นประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริหารประเทศชาติจะพึงทำคือให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกัน